ในเช้าวันนี้ ข, ขอให้พระภิกษุสงฆ์สมเนธเมชีและอุบาสกอุบาสิกาได้ตั้งจิตตั้งใจสร้างความเพียรสร้างความพยายาม ทำใจให้ชุ่มฉ่ำทำใจให้เยือกเย็นเมื่อกลินน้ฝนที่ได้ตกลงมาก่อนที่เราจะหลับตาทำสมาธิเราก็เตรียมตัวให้พร้อมเตรียมใจเราให้พร้อมเปิดใจพร้อมที่จะรับฟังในพระธรรม คำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อคราวที่แล้วได้พูดถึงเรื่องของราคะเจริตราคะหมายถึงความกำหนัดอย่างที่ได้บอกไปแต่ถ้าแปลโดยรากศัพท์จริงๆลาคะคือการยอม ยอมจิตยอมใจของเราไม่ให้ตกไปอยู่ในห่วงแห่งอำนาจของกามตัณหาไม่ให้ตกไปอยู่ในห่วงของกามอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นภายในใจเรา ในเช้าวันนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของไฟไฟที่มันคอยเผาเผาร่างกายและจิตใจของเราทุกวันความร้อนของดวงอาทิตย์เนี่ยก็เปรียบสเสมือนไฟเช่นเดียวกันความร้อนของดวงอาทิตย์เนี่ยสามารถส่งแสงลงมาบนพื้น ยังทำให้ความร้อนของแสงอาทิตย์เนี่ยสามารถแผ่กระจายไปเพื่อให้กับต้นไม้เพื่อให้กับมนุษย์ให้กับสิ่งสรรพสิ่งสรสรพสัตว์บนโลกใบนีแ้แต่ความร้อนของดวงอาทิตย์ก็ร้อนยังไม่เท่าไฟ ที่อยู่ในกายและใจของเราทั้งหลายไฟที่มันอยู่ในกายมันก็มีอยู่สามกองอยู่ที่เราจะเฝ้าดับมันได้หรือเปล่าหรือจะเราเราจะปล่อยให้มันลามไปเรื่อยๆจนกว่าหมดไม่ไม่เหลืออะไรไฟในโลกันตะมหานรก แห่งคุมนรกเราคิดว่าร้อนกว่าแต่ไปในสามกองที่อยู่ในตัวเราอยู่ในใจเราเนี่ยร้อนยิ่งกว่านั้นอีกร้อนถึงขนาดทําลายทุกสิ่งทุกอย่างลงไปได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นไปสามกองที่จะกล่าวถึงในเช้าวันนี้ กองที่1ก็คือไฟแห่งราคะกองที่สองคือไฟแห่งโทสะกองที่สคือไฟแห่งโมหะก็คือราคะขีก็คือร า, าคะแห่งไฟโทสะกิก็คือโทสะแห่งไฟโมหะกีก็คือโมหะแห่งไฟ ไฟทั้งสองกองนี่มันซุกซ่อนอยู่ในตัวเราไฟทั้งสองกองเนี่ยถ้าเปรียบเสเหมือนไฟที่มันกำลังไหม่ไ ม, ไม้ที่มันแห้งแล้วก็ไฟกำลังไหม้ไม้ที่มันสดอยู่ซึ่งมันจะใช้เวลาที่ในการไหม้ไม่เหมือนกัน ใช้เวลาในการเผาผ่านไม่เท่ากันเพราะนั้นผู้ ป, ปฏิบัติทำทั้งหนายไฟแห่งราคะเมื่อมันเกิดแล้วเราจะดับมันอย่างไรไฟแห่งโทสะเมื่อกดแล้วเราจะดับมันอย่างไรไฟแห่งโมหะคือความหลงเมื่อเกิดแล้วเราจะดับมันอย่างไง ให้ผู้ประพฤติปฏิปัิษ์ทมได้คิดตามได้พิจารณาตามพยายามเฝ้าดับไฟให้ได้ที่มันเกิดขึ้นภายในใจหูเราก็สามารถลุกเป็นไฟได้เช่นเดียวกันถ้าหูเราคอยแต่ฟังในสิ่งที่ไม่ดีฟังในสิ่งที่ชั่วชอบรับฟังในสิ่งที่ไม่เป็นมงคล ให้กับตัวเราเองหูนี่ก็จะร้อนเป็นไฟเลยเราก็คุนคิดเราก็ได้พิจารณาเราก็ได้ปรุงแต่งไปต่างๆะนานาในที่ขณะเราได้ยินเรื่องต่างๆเข้ามากระทบที่หูเราหูเราก็ลุกเป็นไฟขึ้นมาทันทีเลยโดยที่เราไม่รู้ ว่าเราจะต้องดับไฟกองนี้ยังไงตาเราก็ลุกเป็นไฟเมื่อเราคอยเฝ้ามองแต่ผู้อื่นเฝ้าแพ่งโทษแต่ผู้อื่นโดยที่เรายอมให้ไฟเนี่ยมันลามมาที่ตาของเราเราไม่เคยเพ่งโทษตัวเองแต่ในขณะบางครั้งขณะเดียวกันเนี่ย เราเพ่งโทษคนอื่นไม่พอบางครั้งเราก็ยังเพ่งโทษตัวเราเองอีกไฟนี้มันก็จะลุกขึ้นมาที่ตาทำให้ตาเราร้อนที่เขาเรียกว่าอิจฉาตาร้อนเมื่อตามันร้อนเนี่ยมันก็ดับที่ตามันไม่ได้มันก็ลุกเป็นไฟพร้อมที่จะเผาผลาญพร้อมที่จะมอดไหม้ลงไปในพิบตา ว่าอย่างนั้นจมูกเราก็ลุกเป็นไฟถ้าเราใช้ลมหายใจเข้าออกทิ้งไปวันหนึง่งผ่านไปวันหนึง่งวันหนึง่งโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรให้กับตัวเองเลยจมูกได้รับกลิ่นได้รับกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง กินที่เราพอใจบ้างไม่พอใจบ้างมันก็ทำให้ใจเราปรุงแต่งทำให้ใจเราคิดชมูกก็ลุกเป็นไฟเช่นเดียวกันไฟก็จะเผาผลาญฉมูกเราไปจนหมดจนไม่เหลือปากของเราก็เช่นเดียวกันปากเนี่ยเป็นจุดที่ไฟจะลุกลามมากที่สุดเท่าที่จะลุกลามได้ เพราะปากของเราเนี่ยพูดทุกสิ่งทุกอย่างทำลายได้ทุกสิ่งทุกอย่างทาร้ายได้ทุกสิ่งทุกอย่างไอ้คาที่เอื้อเอ่อยออกมาลมปากที่มันเล็ดรอดออกมาจากปากเรามันก็สามารถเผาเราให้ตายทั้งเป็นได้ปากก็จะลุกเป็นไฟ ยิ่งพูดมากปากมันก็ยิ่งร้อนยิ่งพูดมากไฟมันก็ยิ่งลุกมันก็โถมกระหน่าเข้ามาที่ปากเรามันก็ทําให้ใจเราเล่าร้อนไปตามลําดับเพราะฉะนั้นไฟสามกองเนี่ยผู้ประพติปฏิบัติถ้าเราไม่ทําความเข้าใจให้ดีๆ ในเรื่องของราคะที่ทําให้เกิดเป็นกองไฟขึ้นมาราคะก็คือความกําหนัดนั่นเองเรากําหนัดในอะไรเรายินดีในอะไรเราพอใจในอะไรเนี่ยตัวราคะตัวนี้เนี่ยมันก็จะคอยปรุงแต่งมันจะเริ่ม จุดเป็นประกายไฟขึ้นมาแล้วแต่มันยังไม่ลามพอมันเริ่มจุดเป็นประกายไฟขึ้นมาเนี่ยทีนี้เราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเราไม่รู้ว่าจะดับไฟมันยังไงในเมื่อมันลุกขึ้นมาเป็นเปลวไฟแล้วผู้ประพฤติปฏิบัติต้องคิดให้ดีๆต้องพิจารณาให้ดีๆ ไฟที่มันถังโถมเข้ามาในใจเราอยู่เป็นประจำทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยเราจะปล่อยให้ใจที่โดนไฟลุกอยู่ในขนาดนี้เนี่ยให้มันมอดไหมลงไปเช่นนั้นหรือเราพิจารณาให้อย่างละเอียดแล้วเราจะเข้าใจ ใจเราก็จะเกิดความเล่า้อนใจเราก็จะเกิดความอิจฉาริสยาใจเรานั้นเกิดความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าหลากาจริตเพราะเราเป็นคนวิตกเป็นคนมีความกังวลอยู่เป็นหนึ่งนิด มันก็จะทำให้ไฟกองนี้นี่ยมันลุกขึ้นมามันลุกขึ้นมาเชื้อไฟก็จะลามไปเรื่อยๆลามไปเรื่อยๆจนเผาผ่านใจของเราเนี่ยให้มอดไหม้ลงไปถ้าเราไม่รู้วิธีที่จะดับเราไม่รู้วิธีที่จะรับไฟกองนี้เนี่ยให้มันมอดไหม้ลงไปแล้วไฟแห่งโทสะ ของที่สองโทสะเนี่ยไฟแห่งความโกรธไฟแห่งความเกลียดไฟแห่งความอาฆาตไฟแห่งความพยาบาทไฟแห่งความปองร้ายที่มันกำลังเริ่มติดเป็นเปลวไฟขึ้นมาอยู่ในใจเรา ตอนนี้ถ้าเราปล่อยให้มันเกิดอยู่เป็นประจำเนี่ยไฟนี้ก็จะลามเช่นเดียวกันลามไปเผาผ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากำลังคิดที่เรากำลังปรุงแต่งเรามีความอาฆาตเกิดขึ้นเนี่ยไฟก็จะเผาที่ใจเราเรามีความยาพยาบาทเกิดขึ้นภายในใจ ไฟก็จะไหม้ที่ใจเราเรามีความปองร้ายมีความอิจฉาลิษยาผู้อื่นอยู่เป็นหนึ่งนิดเปลวไฟก็จะเผาที่ใจเราอยู่เป็นประจำแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าไฟที่กำลังสมอยู่ในอกเราเนี่ย <c oughs> ไฟที่กำลังเผาผ่าน ใจเราอยู่ขณะนี้เราจะดับมันยังไงเราไม่เข้าใจในความเป็นอยู่ของมันว่ามันซุกซ่อนอยู่ตรงไหนภายในใจของเราไอตัวโทสะเนี่ยและอยู่ดีๆมันก็เกิดขึ้นมาได้ยังไงถ้าเราไม่คอยระ ง, งับเราไม่คอยควบคุม มันก็จะเกิดขึ้นได้อยู่ทุกเวลาและเกิดขึ้นได้ทุกขณะมันเกิดขึ้นเพราะตัวราคะนั่นเองตัวราคะก็คือความอยากความกำหนัดที่เราต้องการพอเรามีความต้องการปุ๊บเนี่ยตัวโทสะมันก็จะเกิดขึ้นมาคือความโกรธ ความอิจฉาดิสยาความอาฆาตความพยาบาทความปองไร้ที่มันเกิดขึ้นนี่คือไฟกองที่สองแล้วส่วนกองสุดท้ายก็คือไฟแห่งโมหะไฟแห่งโมหะก็คือไฟแห่งความลุ่มหลงหลงในอะไร บางคนหลงในโลกธรรมแปไม่รู้ในโลกธรรมแปดหลงจนไม่ลืมหมูลืมตาหลงจนไม่รู้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่วหลงจนไม่รู้ว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกแต่เราให้อำนาจแห่งราคะเนี่ยมันมาครอบงำจิตใจเราอยู่โดยที่เราพิจารณาไม่ได้ โดยที่เรารู้ไม่ถึงไฟกองนี้ที่มันกาลังเผาผลาญเราอยู่ในขณะนี้เนี่ยไฟแห่งความหลงเนี่ยเป็นไฟอย่างไรเป็นไฟเช่นไรไฟแห่งความหลงมันก็จะเผาผลาญที่ใจเราเช่นเดียวกันเราหลงเราไม่เข้าใจ เพราะสิ่งที่เรากำลังหลงอยู่ในขณะนี้คืออะไรสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือหลงตัวเองหลงคิดว่าตัวเองเก่งหลงคิดว่าตัวเองรู้หลงคิดว่าตัวเองมีฤทธิ์มีอํานาจคิดว่าตัวเองมีพลังลี้ลับสามารถล่วงรู้ในสิ่งนั้นในสิ่งนี้ได้ นี่คือความหลงที่เห็นได้ชัดที่กำลังจุดประกายเป็นเปลวไฟขึ้นมาในใจของเราเมื่อถ้าเราไม่เฝ้าดูไม่พินิษฐ์ปิจณาดูเนี่ยไฟนี้ก็จะลุกลามไปที่ใจเราเช่นเดียวกันความไม่รู้ในโลกธรรมแปดเนี่ยยังทำให้เรามีความหลงอยู่ เป็นประจำทุกวันถ้าเรารู้ว่ามีลาบมันก็ต้องเสริมลาบแน่นอนมียศก็ต้องเสริมยศมีสรรเสริญก็ต้องมีนินทามีสุขก็ต้องมีทุกข์โลกธรรมสี่คู่นี้เนี่ยมันก็ทำหน้าที่ของมัน ทั้งสองสิ่งสองอย่างเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยกันถ้าเราพยายามทำใจไว้พิจารณาให้เห็นความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นอยู่ในทุกขณะนี้อย่างในขณะนี้เนี่ยฝนมันกำลังตกเมื่อฝนกำลังตกเนี่ยอะไรจะตามมา ความเฉะแฉะความเปียกของน้ำที่มันลวกลงมามันก็ต้องเปียกเป็นธรรมดาจากอากาศที่มันร้อนมันก็จะปรับเปลี่ยนเป็นอากาศที่เย็นขึ้นนี่ก็คือโลกธรรมที่เราสามารถจะพึงพิจารณาได้พยายามสังเกตในสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้ได้ถ้าฝนมันตกหนักเกินไปก็ขยับเข้ามาในโบสถ์ก็ได้ เราก็ต้องใช้สติปัญญาคิดพิจารณาให้ดีๆแลวสิ่งที่เราไม่ได้คิดไว้สิ่งที่เราไม่ได้วางไว้ในเบื้องตน้นมียศเราก็ต้องเสื่อมยศบางครั้งเราต้องการยศต้องการตำแหน่งต้องการงานที่มันใหญ่ขึ้นที่มันโตขึ้น แต่เราไม่ได้เตรียมใจไว้ในวันข้างหน้าว่าวันหนึ่งเราอาจจะต้องโดนย้ายวันหนึ่งเราอาจจะต้องเกษียณวันหนึ่งเราอาจจะต้องโดนปลดในหน้าที่ตำแหน่งนั้นถ้าเราทำความเข้าใจว่าสองอย่างเนี่ยทำหน้าที่ไม่พร้อมกันแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีลาบเนี่ยลาบนั้นก็จะไม่ตามมาทีหลังเราก็จะไม่เสื่มลาบ อย่างเราต้องการให้คนอื่นสรรเสริญเราก็เช่นเดียวกันสุดท้ายก็ต้องมีนินทากันอยู่ดีเมื่อเราต้องการให้คนอื่นสรรเสริญเยินยอเราต้องการให้คนอื่นยกย่องเราว่าเป็นคนดีว่าเป็นคนเก่งว่าเป็นคนมีความสามารถเยอะแยะมากมายเราต้องการหวังเพียงคําสรรเสริญเยินยอเท่านั้นหรือ สุดท้ายก็ต้องมีการนินทาเมื่อเขาสรรเสริญเยินยอรเราไว้มากเมื่อเขายกย่องเราไว้มากสุดท้ายเนี่ยเราก็ไม่พ้นคำนินทาอยู่ดีเพราะนั้นไฟสามกองที่อยู่ภายในกายที่อยู่ภายในใจเราเราจะดับมันยังไงเราจะดับมันเช่นไร ที่ให้ไฟกองนี้เนี่ยมอดลงไปองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้รู้อย่างแจ่มแจ้งเป็นโลกะวิทูนคือรู้โลกธรรมแปดนั่นเองรู้โลกธรรมแปดองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเปรียบไว้เหมือนบุรุษสี่คู่แล้วเราก็ต้องพิจารณาต่อ เพราะการปฏิบัติของตัวเราเองนปฏิบัติแล้วเราได้อะไรปฏิบัติแล้วเรายังหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่าปฏิบัติแล้วเรายังมีความหวังอยู่หรือเปล่าผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในขณะ น, นี้เป็นสิ่งที่ดีพอหรื อ, อยังที่เรากำลังทำอยู่ เราต้องพินิษพิจารณาให้มากมากเราต้องหาความจริงให้เจอเราต้องรู้ความเป็นไปในกายและใจของเราถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยสุดท้ายไฟสามกองเนี่ยก็จะเผากายและใจเราหมดไหมโดยที่เราไม่รู้ตัวเรามีความโกรธเราก็นอนกิ้งไปกิ้งมากระสับกระส่ายอยู่คนเดียว คิดอยู่คนเดียวนึกอยู่คนเดียวแล้วก็พูดอยู่คนเดียวเพ้อเจ้ออยู่คนเดียวบางครั้งเราไม่รู้ตัวเองเราก็ดับไฟกองนี้ไม่ได้เรามีความหลงก็เช่นเดียวกันหลงในลูกหลงในอํานาจหลงในยศหลงในหน้าที่หลงในตำแหน่งความหลงเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นไฟ ที่คอยเผาผัานกายและใจเราอยู่เป็นประจำเมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้แต่นอนกิ้งไปกิ้งมาคุณคิดว่าเรายศเราจะได้เลื่อนเมื่อไหร่ตำแหน่งเราจะได้เลื่อนเมื่อไหร่เราจะมีพลังอำนาจเมื่อไหร่แต่เราไม่ได้คิดถึงในมุมที่กลับกัน ว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือโลกธรรมอย่างที่บอกมาในข้างตน้นองค์สมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยให้เราได้รู้ในโลกธรรมแปดให้เข้าใจอย่างละเอียดอย่างถี่ถ้วนว่าโลกธรรมแปดเนี่ยคืออะไรโลกธรรมแปดนี้มันเป็นยังไงแต่ผูป้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนเมื่อเรายังไม่รู้เลยว่ากายเราต้องการอะไร ในเมื่อใจเรายังไม่รู้เลยว่าใจเราต้องการอะไรผู้ประพฤฏิบัติธรรมต้องหมั่นพิจารณาอยู่เป็นเนืองๆว่าก า, กายนี้เนี่ยที่เราหลงมันอยู่ทุกวันเนี่ยที่เรามันไม่เข้าใจทุกวันเนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะเราเป็นผู้ที่ยังไม่มีปัญญา องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดไว้ว่าปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขาร <c oughs> กองสังขารของเราเองเนี่ยเราก็ยังไม่รู้กองสังขารของเราเองเราก็ยังไม่เข้าใจแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าไอ้สังขารร่างกายของเรานี้เนี่ยเราประพฤติปฏิบัติไปแล้วเราปรพิพฤติปฏิบัติไปใน ทางที่ถูกต้องไปในทางที่ดีไปในทางที่เหมาะสมการ ป, รปฏิบัติของเราเนี่ยเราก็จะเข้าใจมากขึ้นกองสังขารมันมีอะไรเยอะแยะมากมายแต่เราก็ยังไม่เข้าใจมันเพราะนั้นผู้ ป, ปฏิบัติธรรม ไฟสามกองเป็นไฟของร า, าักะไฟของโทสะไฟของโมหะไฟแห่งความกำหนัดหลงหลงในตัวเองหลงในผู้อื่นกายตัวเองก็ยังหลงกายผู้อื่นเราก็ยังหลงไฟแห่งความกำหนัดเนี่ยมันก็จะลุกเป็นไฟขึ้นมา พอผ่านร่างกายและจิตใจของเราไฟแห่งโทสะก็เช่นเดียวกันมันจะทำให้กายเรามีแต่ความาร้อนทำให้ใจเรามีแต่ความาร้อนในขณะที่ไฟนี้มันเกิดขึ้นเพราะนั้นเราต้องเฝ้าดับไฟที่เกิดขึ้นในใจให้ได้สุดท้ายไฟแห่งความหลงคือไฟแห่งโมหะ เราก็ต้องรู้ว่าเราหลงในอะไรเราหลงแบบไหนก็ต้องไปพิจารณาให้มากๆสุดท้ายเนี่ยเราก็จะดับไฟได้ด้วยตัวเองเพราะไฟที่มันลุกที่มันถังโถมอยู่ในใจเราอยู่เป็นประจำมันทำให้เราเ ร, าร่าร้อนทำให้ชีวิตเรามีแต่ความทุกข์ หาความสุขอะไรไม่ได้เลยมันเปียบเสมือนไฟสามกองที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นก็ฝากไว้เพื่อไปคิดพิจารณาแล้วก็เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของตัวเราเองเอาละเช้าวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ก่อนที่เราจะได้ กดน้ำพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์เราก็ค่อยพยายามพินิจพิจรารณาให้รู้สึกตัวก่อนลืมตา อ, ออกจากสมาธิแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นมานิมนต์ครับ